บัรนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเมื่อลกาวโดยพื้นฐานในทางจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามมีความกลัวเป็นพื้นฐานของจิตใจ และสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนั้นจนถึงเรื่องของศาสนาก็เพราะต้องการจะแก้ไขความหวาดกลัวที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลทั้งหลายและสิ่งที่โกลนกลัวกันมากนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือทุกภัยโรคสิ่งที่เป็นทุกขสิ่งที่เป็นภยัยและเรื่องของโรคต่างๆในพิธีกรรมทางศาสนาเป็นต้นไป ก็มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกไปจึงการในมลพระไปเจริญพระพุทธมนตทท่บัานในคำกราบอาราธนาให้แสดงธรรมนั้นก็มีข้อความที่แปลโดยสรุปว่าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดพระปริษอันเป็นมงคลรือป้องกันขจัดบาบัดเสียซึ่งทุกภัยโรค แสดงเห็นว่าสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วชีวิตก็ยังหมุนวนอยู่ในเรื่องของทุกข์ภัยโรคพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้เสด็จอุบัติบังเกิดขึ้นก็เพื่อต้องการจะแก้ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแก่พระองค์เอง ในที่เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทั้งหลายธรรมะที่ทรงแสดงจึงเน้นไปที่สามป้าหมายคือสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์สิ่งนั้นต้องมีความเกื้อกูลแก่ผู้ฟังและสิ่งนั้นจะต้องอำนวยความสุขให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์มีลักษณะเกื้อกูลและอนวยความสุขให้นั้น ก็ทรงแสดงไว้เป็นขั้นตอนขึ้นไปโดยลำดับก็กลายเป็นเรื่องประโยชน์สามชั้นคือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภายภาคหน้าและประโยชน์ในสังสารวัติคนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะเหล่านี้บางทีก็เรียกลงไปตรงตัวเช่นว่าเรียกว่าภิกษุซึ่งแปลว่าผู้เห็นภยัย จะถามเ็นภัยอะไรบ้างเคลนภัยในเรื่องของความทุกข์เรื่องของภัยเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนและบุคคลอื่นการศึกษาการเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นจึงมุ่งสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์คือกูลและอำนวยความสุขให้ดังนั้นท่านอุปศิละวะมานพ จึงได้กราบทูลเรียกชื่อเรียกพระนามพระพุทธเจ้าว่าสักโกที่แปลว่าผู้องค์อาจคือไม่ขั้นครามขามเกรงในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโรคเพราะพระองค์ทรงบรรลุถึงประโยชน์อย่างสูงสุดอันมีลักษณะเกือ้อกูลอย่างสูงสุดและทรงสัมผัสความสุขที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ สิ่งที่เป็นทุกภัยโรคจึงไม่อาจจะพ้องพานทำลายพระองค์ได้พระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นส ก, กัดแต่ว่าผู้องค์อาจผู้กระหรันผู้ไม่หวาดกลัวในชื่อของราชวงศ์นั้นก็เป็นชื่อของราชวงศ์คือสักยิวงศ์หรือสักกยจวงศ์แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงประกอบด้วยคุณธรรม ที่จะเคยจัดความกลัวให้หมดไปสิ้นไปและคุณธรรมนั้นทรงแสดงไว้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายแหากใครก็ตามสามารถเสริมสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของตนก็จะกลายเป็นสักกะคือผู้องค์อาจกระหัน ไม่หวาดกลัวต่อสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภยัยเป็นโรคเราสามารถบำบัดกระจัดเสียซึ่งทุกข์ภัยโรคได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลอำนวยความสุขให้แก่ตนได้ในชั้นนั้นๆอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้สิ่งที่บุคคลหวาดหวาดกลัวลดลงสิ่งที่บุคคลต้องการเพิ่มพูนขึ้นในจิตใจในชีวิตของตน ธรรมะเหล่านั้นเรียกอีกนัยหนึ่งว่าอารียสักเรกวสักอันเปรศหรือทรัพที่ทําให้คนเป็นภ ร, ริยะหรือเป็นผู้ประเสริฐระบบพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของสัจะธรรมแก่นแท้คือสืบสเสาะไปถึงเนื้อหาที่แท้จริงของสัจะธรรมในชั้นความจริงที่แท้จริงนั้น ความเป็นอริยคือเป็นผู้ประเสริฐและเปิดโอกาสกว้างให้แก่บุคคลทั้งหลายหรือสำนวนที่เราพูดกันว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหากใครก็ตามมีความสามารถในการเพิ่มพูนกุศลธรรมให้สูงขึ้นคนนั้นก็พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษเป็นกัลยาณนชน เป็นพระยาบุคคลในชาติ น, นั้นความดีงามความเลิศความประเสริฐของคนต้จึงแสดงว่าการงานหนึ่งวิ ช, ชาหนึ่งธรรมะหนึ่งสีรรหนึ่ ง, นนงและชีวิตอันอุดมหนึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทําบุคคลให้เป็นผู้ประเสริฐให้เป็นพระริยะไม่ใช่ทรัพย์ ไม่ใช่ยศไม่ใช่โคษแต่เป็นเรื่องของคุณธรรมเราทาในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นระบบคุณธรรมล้วนๆกล่วาวในส่วนที่ลึกซึ้งจริงๆแล้วคือธรรมเท่านั้นหมุนไปเป็นไปไม่มีสิ่งอื่นนอกจากธรรมแต่ว่าธรรมะที่เน้นในที่นี้ก็เป็นการเน้นถึงส่วนแห่งกุศลธรรม ที่จะนำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากสิ่งที่ตนไม่ต้องการทั้งสามประการดังกล่าวแล้วเริ่มต้นด้วยศรัทธาศีลยุริความละอายต่อบาปอุวตะปะคือความสะดุ้งกลัวต่อะ อ, าาะต อ, อะไรสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่เป็นทุจริต ซึ่งแสดงออกมาทางกายทางวิจาและทางใจแม้ความคิดซึ่งประกอบด้วยอกุศลก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะไฟแห่งความคิดที่บางเกิดขึ้นมานั้นเมื่อมีการคิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นถึงจุดหนึ่งก็จะแสดงออกมาทางกายทางวิจาเป็นทุติดิตฐได้และมี การกระทำในลักษณะเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้เกิดขึ้นได้ตามความรุนแรงของความคิดที่เป็นอกุศลจึงทรงสอนให้มีความบาดกลัวในเรื่องเหล่านั้นในขณะที่ฐานจิตใจ ย, ยังมั่นยังไม่มั่นคงมากพอคือยังไม่สามารถมองเห็นว่าอากุศลให้ผลเป็นความทุกข์กุศลให้ผลเป็นความสุขได้ ก่ออิงเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นอุปกรมีลักษณะเหมือนการสร้างอาคารสถานที่ต่างๆจำเป็นจะต้องอาศัยนั่งร้านเป็นเครื่องสร้างแต่ถ้าหากก็สร้างเสร็จแล้วนั่งร้านก็ไม่มีความจำเป็นแต่ศาสตร์ใดที่ยังไม่เสร็จนั่งร้านก็ต้องมีความจำเป็นอยู่ศาสต์นั้นการปฏริบัติธรรมะในส่วนที่ ราโดยสรุปคือการละ บ, บาปอกุศลและเจริญกุศลนั่นในขั้นตอนหนึ่งจำเป็นจะต้องมีสิ่งเกาะอิงซึ่งมีลักษณะเหมือนนั่งร้านที่จะเสริมฐานชีวิตของบุคคลให้มีความมั่นคงที่เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในธรรมแต่เมื่อตั้งมั่นอยู่ในธรรมแล้วจะมีลักษณะเหมือนร่างกายของบุคคลที่ได้รับการ ปลืปลื้ในการเดินมาโดย ล, ลําดับจนถึงเดินได้ด้วยตัวเองแล้วในขณะนั้นการจูงก็ดีการประคองก็ดีหรือสิ่งที่เกาะอิงก็ดีไม่มีความจําเป็นสําหรับบุคคลนั้นแต่เราก็ทิ้งสิ่งเกาะอิงการจูงการอบอุ้มการประคับประคองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ายังมีคนอื่น ที่จำเป็นจะต้องได้รับการอุ้มชูการประคับประคองการให้เกาะอิงการชักจูงของบุคคลและเป็นการไหลวนเข้ามาเรื่อยสิ่งเหล่านี้จึงจําเป็นจะต้องมีอยู่ตลอดไปอุปการะธรรมที่จะนําบุคคลผู้ประพฤติธปฏิบัติให้สามารถเสริมสร้างธรรมะที่สงใช้คําว่าโลกปาลธรรมทั้งสองข้อคือริโอตปะได้ ในกรณีของอุตตปะนั้นอาศัยกันที่มีจิตสำนึกว่าถ้าเราทำลงไปแล้วในโอกาสต่อไปแม้เราเองก็จะตำหนิติเตียนเราเองได้รือมาอย่างนั้นก็ให้ความสำคัญแก่นักปราชญ์แก่วินยูชนแก่บัณฑิตทั้งหลายตลอดถึงแก่เทวดาแก่พระตัณใจ วัตธรรมลงไปแล้วจะได้รับกา ร, รําหนิตีเตียนจากท่านเหล่านั้นทำให้งดเว้นไม่ประพฤติกระทำหรือแม้แต่คิดในสิ่งที่เป็นอกุศลเรื่อาจะสายการกลัวภัยกลัวอาจยาของบ้านเมืองถ้าหากว่าตนกระทำสิ่งที่เป็นทุจริตลงไปอาจจะถูกจับกลุ่มขึมขังลงโทษแล้วก็งดเว้นไม่กระทำ แต่ฐานซึ่งมีลักษณะเป็นความเชื่อมัน่นจะก็มีผลออกมายั่ยงยืนมั่นคงแข็งแรงนั้นคือการต้องกลัวภัยในนรกเลยอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าทมย่อมนำไปสู่สุกคติคือความสุขความเจริญอาธรรมนำไปสู่ทุกขติคือความทุกขความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและในภายภาคห น, น้า จิตที่ได้รับการค้ายันไว้โดยลักษณะนี้ก็จะก่อให้เกิดผลเป็นมีหลักธรรมคุ้มครองใจตนเองที่อุปตปะโดยนัยหนึ่งเป็นสิ่งที่สกัดกั้นกระแสของบาปของอกุศลไม่มีการละเมิดไม่มีการล่วงธรรมะออกไปทำให้บุคคล มีจิตใจที่สะอาดขึ้นเพราะว่ารังเกียจอกุศลแลจิตที่เกิดขึ้นภายในใจก็พยายามบันเทารังเกียจบาปรังเกียจอกุศลที่จะเพิ่มพูนขึ้นมาใหม่ก็พยายามป้องกันไว้จะทําให้จิตใจมีความสะอาดมีความสงบมากยิ่งขึ้นและคุณธรรมประการต่อไปก็คือเรื่องของความเสียสละ ซึ่งมีความประนีตขึ้นไปโดยลำดับลักษณะเหล่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่ามันเหมือนกับการยกสิ่งของในขณะที่ร่างกายเรายังไม่ค่อยมีกำลังก็ยกได้ขนาดหนึ่งแต่พอกำลังเพิ่มขึ้นน้ำหนักก็ยกได้เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ในตอนต้นๆก็ไม่ได้แสดงเรื่องอะไรให้ลึกซึ้งมากนะเพราะจิตใจ ย, ยังไม่มั่นคงแข็งแรงมากพอความเสียสละที่ท่านทรงใช้กรรมจากขะานั้นจึงมีอยู่หลายชั้นด้วยกันชั้นแรกเป็นอัธยาสายดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วคือคนจะมีความอึบเพื่อเผื่อแ ผ, แผ่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ยอยู่แล้ว ก็สงสอนให้เพิ่มภูมในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นเป็นการสละวัตถุพัสดุสิ่งของซึ่อาจจะเริ่มด้วยการสละของเหลือใช้หรือของที่ตนกำลังใช้อยู่แต่มีมากพอจะสละให้ได้แล้วจิตจประนีตขึ้นไปกระดแข็งขึ้นไปจนสละได้แม้ในสิ่งจึง่งตนรักพนุกขถนอมผงแห่น ก้อนนี้แม้จะมองในจุดอื่นก็ทรงแสดงไว้โดยเนยยะนั้นฉันยกตัวอย่างการให้ทานของบุคคลทรงจําแนกเอาไว้เป็นสามลำดับด้วยกันเรียกว่าทาตทานคือให้ของที่เลวกว่าแม่ตนเองก็ไม่บริโภคนั่นก็คือการสละของเหลือใช้นั่นเองสายทานคือให้ของที่ตนบริโภคจุ แต่ก็พอแบ่งให้เพื่อนกินได้ก็ให้ไปสามีทานคือให้ของที่ประนีตแม้ตนเองก็ไม่กินเป็นการวัดถึงคุณภาพด้านจิตใจของบุคคลผู้นั้นว่าเข้มแข็งขึ้นมีธรรมะมั่นคงมากขึ้นจึงสามารถสละได้มากขึ้นแต่คุณภาพของใจนั้นกลายเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐที่ขัดเกลา กิเลสอันมีลักษณะต่างๆให้ออกไปจากใจแล้วก็กลายเป็นสมบัติที่ติดตัวไปจริงๆป ร, ระส่วนแห่งทรัพสมบัติเหล่าอื่นที่เป็นรู ป, ปรธรรมซึ่งบุคคลบริโภคใช้สอยกันอยู่นั้นส่วนหนึ่งก็ถูกย่อยไปส่วนหนึ่งก็ต้องชิ้งไว้ในโลกแต่ว่าทรัพสมบัติคือความเสียสละ ในชั้นของวัตถุสิ่งของก็กลายเป็นบุญที่จะติดตามบุคคลนั้นไปแต่ในขณะเดียวกันคุณภาพของจิตในลักษณะนั้นโลภะก็จางลงไปความสนิทความหวงความเห็นแก่ตัวก็จางลงไปมีความประณีตเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับจะมีผลสนับสนุนในการปฏิบัติกรรมฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแก้นิวรณข้อแรกที่เรียกว่กากรรมชั น, นคือจิตที่รักให้พอใจยินดีเพลิดเพลินจนถึงก็รู้สึกเสียดายสิ่งที่ต้องหายไปเสียไปหรือสละไปแต่เมื่อใจมีธรรมะข้อนี้แล้วก็จะกลายเป็ไปเป็นแก้ความโลภหรืออภิ ช, ชาตลอดถึงกามฉัน แล้วก็การมาราาักคือความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ให้ต่างลงไปโดยําดับได้บัณฑการปฏิบัติธรรมะในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องถึงกันในเชิงของการแสดงเป็นการหลากหลายไปด้วยบุคัลในการแสดงเพื่อผู้ฟังไม่รู้สึกว่าหนักไม่รู้สึกว่าซ้ํา แล้รู้สึกเพริดเพลินมีความเชื่อมั่นในธรรมะเหล่านั้นแล้วพอถึงขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือเรื่องของการปฏิบัติที่ธรรมะเหล่านั้นจะดูดเข้าหากันและจะปรับแนวเข้าหากันในกรณีที่เป็นการละความชั่วข้อใดข้อหนึ่งความชั่วส่วนอื่นก็ลดตามไปและในขณะเดียวกันนั้น จิตของบุคคลก็เพิ่มความดีมากขึ้นในกรณีของการปฏิบัติความดีที่เริ่มต้นโดยข้อใดข้อหนึ่งและจะทำให้ความดีส่วนอื่นเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ลดความชั่วซึ่งตรงกันข้ามกับตนด้วยเหมือนกับอะไรเหมือนกับความมืดจางไปแสงสว่างก็เพิ่มขึนแสงสว่างเพิ่มขึ้น ความมืดก็ดจางไปเป็นเรื่องของการละชั่วประพฤติเรื่องของการละชั่วประพฤติก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อจิตใจมีความกล้าแข็งมากพอจะสละได้แม้แต่เจตจำนงที่เกิดขึ้นแต่เป็นอุปสรรคขัดขวางการกระทำความดีของตนซึ่งตามปกติแล้วทรงเรียกความรู้สึกเหล่านี้ว่าเป็นมัน หรือเป็นปัญหาผูกริบใจที่คอยขัดขวางจิตใจของบุคคลเอาไว้ให้ต่อรองกับ ก, กิเลสอยู่เรื่อยๆแล้วบางครั้งก็ขาดทุนเพราะกิเลสแกอัลัตเอเปรียบมากจะทำบุญอะไรนินนดหน่อยๆต่อรองกันไปต่อรองกันมาขอผัดไว้ในโอกาสต่อไปใจก็ถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้น แต่ถ้าหาก็ภายในใจของบุคคลมีธรรมะคือจากฆ่าอยู่ก็จะจะอาศัยปัญญาซึ่งเป็นอริยทัพอริยทัพพอสุดท้ายวินิจฉัยลักษณะของอารมณ์ว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลมีผลเป็นสุขหรือมีผลเป็นทุกข์ควรจะคล้อยตามหรือไม่ควรจะคล้อยตามการวินิจฉัยของปัญญาจะเป็นการวินิจฉัยที่ชัดเจน และที่สุดบุคคลก็จะสกัดก้านกระแสแห่งอกุศลไม่ได้สลักความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคต่อเจตจำนงในการทำความดีไปได้จิตใจก็มีความกล้าวแข่งมากยิ่งขึ้นจึงก็หมายความว่าไปบรรเทาในส่วนของพยาบาทนิพพานด้วยอนนี้เป็นประวัยประลักษณะเหล่านั้นมีความกั้ากึ่งกันระหว่าง กรรมฉันกับพยาบาทการที่จิตถูกเหนียวเอาไว้นั้นเป็นเรื่องของกรรมฉันแต่ว่าการที่ทำอะไรไปไม่สมหวังก็เป็นเรื่องของพยาบาทแต่พอบุคคลสละได้เราก็เป็นการบรรเทาทั้งส่วนของกรรมฉันและส่วนของพยาบาทแต่ในขนาเดียวกันความเคลือบแคลงสงสัยที่เราเรียกวิจิกิจา ก็จางลงไปด้วยความฟุ้งซ่านทางใจก็จางไปความงอนเงาโหดผูที่เกิดขึ้นภายในใจก็จางตามไปจนถึงชั้นหนึ่งจะสามารถสละได้แม้แต่กิเลสอย่างน้อยก็เป็นการสละในขณะนั้นๆโดยการข่มใจไว้โดวยวามอดทนไว้โดยการให้อภัยโดยการแผ่เมตตาโดยการปร่งตกุก เมื่อใจเขาโปรงตกแล้วก็จะมีการปล่อยวางอารมณ์มนั้นก็เป็นการสละได้ในขณะนั้นนั้นแล้วก็จะเดินเรื่อยไปเป็นการปรับใจน้อมเข้าหาความสงบซึ่งเป็นสมาธิทราบอีกข้อหนึ่งจิตใจของบุคคลที่สงบนั้นเป็แง่ของความเป็นจริงและส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากความต้องการตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ธรรมะเหล่านี้จึงเป็นธรรมะที่ออกเกี่ยวกสา ธ, ธารณะคือทั่วไปกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติแม้คนจะเคยเรียนสมาธิมาหรือไม่เรียนก็ตามพอถึงจุดหนึ่งถ้าจิตใจ ต, ต้านทานอารมณ์ไม่ได้ขอปีกตัวออกไปขอหลับขอพักผ่อนขอนอนขอหลีกไปอยู่คนเดียวขอคิดเก็บเงียบคนเดียวนั่นคือใจเรียกหาสมาธิ เพราะตัวสมาธินั้นจะเป็นดูคุ้มครองใจญา้อจใจจะได้พักใจจะได้สงบใจจะได้หายเหนื่อยใจหายหนักใจหายร้อนใจหายทุกข์ใจหาย ก, กระกุ้มใจตามสมควรแก่กรณีดังนั้นเพราะการบาเพ็ญเพียรสมาธิที่ประณีตขึ้นไปนั้นก็กลายเป็นการเป็นทรัพย์ ที่สร้างสถานะทางจิตของตนให้สงบมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นทรัพย์ที่สร้างสวรรค์ทางวิมานถ้าเป็นผลจริงๆก็กลายเป็นเรื่องของพรหมยกภูมิจิตของตนให้สูงขึ้นจากภูมิที่เป็นโลกโลกกลายเป็นภูมิที่เป็นพรหมซึ่งมีความสงบสูงขึ้นมีความประณีตสูงขึ้นโดยลำดับไป สมาธิในเชิงของการปฏิบัติไม่ว่าจะพูดยังไงก็ตามสรุปแล้วก็คือต้องสงบนิวรณได้สงบได้มากหรือสงบได้น้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าตราบใดที่ยังสงบไม่ได้ตราบนั้นก็พูดได้ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิแต่ไม่ใช่มีสมาธิแล้วเพราะนิวรณเหล่านั้นไม่สงบนี้ก็เป็นบทพิสูจน์เป็นการวัดผล ของการประพฤติปฏิบัติในชั้นของสมาธิสมาธินี้จึงเป็นทรัพย์อันประเสริฐแล้วเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นก็จะสร้างทรัพย์ขึ้นมาอีกข้อนหนึ่งคือปัญญาสามารถที่จะเพ่งพินิษพิจารณาโดยอาศัยสมาธิเป็นฐานมองเห็นทั้งความเกิดความตั้งอยู่ความดับไปของสัตว์ของสังขารทั้งหลาย มเมื่เห็นว่าสาัตว์ในสังขารทั้งหลายตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ความมุ่งมั่นความยึดถือความสยบติดในอารมณ์ทั้งหลายก็จะจางลงไปเพราะรู้อยู่แล้วมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับคนที่ยืมของเข้ามาทุกเวลาทุกนาทีที่ใช้ของนั้นใจของบุคคลนั้นจะรู้ได้ว่า เวลาจะคืนของนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะหน้าที่ของคนที่ยืมของเข้ามาจึงไม่ใช่จะไปยึดถือของนั้นว่าเป็นของเราเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นของยืมและจะต้องคืนเขาในที่สุดสิ่งที่ควรกระทำและทําได้นั้นคือพยายามใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่ตนจะทําได้ ชีวิตร่างกายขันธาติยตนะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นของยืมเข้ามาแล้วคนก็ก็มาทวงยึกยึกอยู่เรื่อยอาการทวงนั้นก็อให้เจ็บป่วยบ้างเกิดเป็นผมดำกรับขาวบ้างฟันแข็งแรงกับโยกคลอนบ้างตาแจมใสกับพร่ามัวบ้างหูฟังถนัดชัดเจนกับตึงบ้างหนังที่ตึงตึงหย่อนยานลงไปบ้าง ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นคือการทวงคืนของที่เขายืมมาซึ่งถ้าหากว่าบุคคลไม่เรียบใช้ไม่รีบใช้ประสาทสัมผัสเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ในที่สุดจะไม่ได้ประโยชน์จากของยืมการใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาสัตว์ได้สังขารทั้งหลายจนเกิดความรู้ความเข้าใจ ถึงความจริงในสัตว์ในสังขารในสิ่งของต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันรู้ความเกิดขึ้นรู้ความตั้งอยู่รู้ความดับไปเจนของยืมรู้ความเกิดก็รู้ว่าสิ่งนี้เราได้มาเพราะการยืมเข้ามานะยืมมาเวลากี่วันห้าวันนั้นสแสดงว่าของนั้นจะตั้งอยู่ห้าวันจะอยู่กับเราห้าวันพอถึงวันที่ห้าครบวาระจะส่งสิ่งนั้นก็ดับไป ไม่ใช่เป็นของเราอีกแล้วเพราะันทำอย่างไงก็ห้าวันนี้ห้าวันซึ่งตนพร้อมที่จะใช้ไปแต่ก็มีสิทธิ์จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นก็รีบเร่งพยายามใช้ให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดดังที่ทรงแสดงไว้ว่าความเพียรพยายามบุคคลควรรีบเร่งกระทำเสียในวันนี้เถอะ เพราะเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าความตายอาจจะมีในพรุ่งนี้ก็ได้และถ้าตายก็เป็นการตายอย่างภาคภูมิใจมีความเชื่อมัน่นไม่หวาดกลัวต่อภัยเรียกว่าไม่หวาดกลัวต่อโลกหน้าพระพุทธเจ้าทรงชช้คาว่าไม่หวาดกลัวต่อปารลกแต่ถ้ามจุราชมาถึงข้าวก็เป็นการตายอย่างคุ้มค่า ดังนั้นการผัดเพี้ยนการเวลาจึงไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตที่จะพึงกระทําสิ่งทั้งหมดนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นผู้องอาจกระหารไว้ขั้นครามโดยเสด็จรอยบาทจุกนของพระผู้มีพระพักตร์างถึงความกราหารจะเกิดขึ้นไดมมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับใจสามารถน้อมนาธรรมะเหล่านั้นมาเพิ่มพุน เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของตนได้มากหรือไน่ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสื่อต่อไป